เราก็ได้มาพักท้างรงแรมที่อสมพระธรรมจาริกบ้านแม่ตนาวันนี้ก็เป็นวันชาววันพระด้วยขึ้นหนึ่งค่ำเดือนหนึ่งเดือนอ้ายนะ<ม>ก็ถือว่าเป็นวันวันปีใหม่ตามปฏิทินจันทรคติปีใหม่ตามดวงจันทร์ก็เป็น ชีวิตใหม่ของเราได้เนาะในวันนี้นะทุกครั้งที่เราตื่นขึ้นมาก็เหมือนกับได้ชีวิตใหม่มีพดังขึ้นมาใหม่นะไม่ตายในวันที่ผ่านมานได้มีโอกาสได้ดูโลกหรือว่าเรียนรู้กับโลกเพิ่มอีกหนึ่งวันอย่างน้อยก็อีกหนึ่งวันนก็ให้เราทําตัวเหมือนกับดอกไม้เนาะทุกๆเช้าก็เด่งบานนะ เพีงบานสดขึ้นขึ้นมาตอนกลคืนก็อาจจะพักเนื่องจากไม่มีแสงแดดหรือว่าพักเพราะว่าความหนาวก็แล้วแต่พอเช้าขึ้นมาพอแดดเริ่มออกนะใบไม้ก็เริ่มเรียกว่าสดขึ้นขึ้นดอกไม้ก็ยินรับดวงตะวันชีวิตของเราก็ควรเป็นแบบนั้นก็คือว่าทุกครั้งที่เราตื่นมาตอนเช้าก็พยายามทําจิตใจให้ ให้สดใสแล้วก็รื่นเริงเบิกบานขึ้นนะเพื่อเรียนรู้อะไรเพื่อเรียนรู้ธรรมะนะธรรมะสามารถมีได้ในทุกย่อมญ่านะเหมือนอย่างที่หลวงปู่มั่นนะหลวงปู่มั่นอนะท่านบอกว่าธรรมะมีอยู่ทุกย่อมยานะถ้าคนมีปัญญาสามารถเรียนรู้ธรรมะได้ในทุกแห่งทุกคนนะเราก็เหมือนกันนะเราเดินตามรอยพระอรหันนะ หลวงปู่ผู้จาริกนะในที่ต่างๆท่านก็เรียนรู้ธรรมะจากธรรมชาตนะิธรรมชาติที่เป็นต้นไม้ใบหญ้าเป็นภูเขาเป็นถ้ำรวมทั้งการเรียนรู้ธรรมชาติภายในใจของท่านด้วยนะถ้าเราสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆพวกนี้ได้เนะนี่ยเราจะน้อมเ้ามาใส่ตัวโอไปนะยีโกคือการน้อมเอาสรรพสิ่งเข้ามาใส่ตัวนะ เห็นอะไรก็น้อมเข้ามาพิจารณาดูพิจารณาในที่นี้บางครั้งก็เป็นการคิดบ้างคิดน้อมเข้าไปนำนะหรือบางครั้งก็เป็นการที่จิตมันน้อมเข้าไปนะมีโยนิโสนมัสการพิจารณาของเขาเองนะบางทีมันก็แค่กลับมาดูจิตใจของตัวเองว่าจิตใจของของเรามีอาการเช่นไรนะบางทีมันก็เลือกไม่ได้นะ เเลือกไม่ได้จิตมันอยจะพิจารณาในแง่ไหนนันก็เป็นเรื่องของมันแต่เราก็เพียงแค่สังเกตดูนถ้าการสังเกตการน้อมพิจารณาของเราเป็นไปเพื่อเพื่อการเข้าใจความจริงเป็นไปเพื่อความออกจากทุกข์เป็นไปเพื่อความปล่อยวางเป็นไปเพื่อความสงบ อ, อ, อันนี้นใช่แหลนะเนาะอันนี้คือเขากำลังสอนธรรมะแกเรานะธรรมชาติภายนอกก็ดี คือธรรมชาติภายในก็ดีเนะี่ยกลังสอนธรรมะนะให้เราเปิดใจเรียนรู้เรียนรู้ธรรมะ่จากทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงของเราเนาะในทุกๆวันทุกเวลาให้เราเปิดใจเรียนรู้กับกับทุกสิ่งทุกอย่างแม้บางครั้งเนาะการใช้ชีวิตของเรามนะอาจจะต่างจากมาตรฐานของอเรียก ว, ว่าคุณภาพของคนทั้งโลกเนาะ ทางโลกนี้การมีคุณภาพชีวิตที่ดีคืออะไรกินอิ่มนอนอุ่นแต่พวกเราเนี่ยบางวันก็กินอิ่มบ้างบางวันก็กินไม่อิ่มบ้างเนาะบางคืนก็นอนอุ่นบ้างบางคืนก็นอนหนาวบ้างนะนอนขดตัวบ้างนะคุณภาพชีวิตเราอาจจะอาจจะด้อยลงไปในแง่เทียบเท่ากับมาตรฐานของอของคนทั่วไปที่เขาให้คุณค่าการกินดี การนอนดีนะการใช้ชีวิตที่สบายนะคนส่วนใหญ่ก็มกักอยากจะได้ได้การใช้ชีวิตที่สบายหรือว่าสะดวกหือว่ามีความมั่นคงมีความปลอดภัยหรือว่ามีหลักรับประกันว่าเออท้องจะไม่หิวนะที่ดักที่นอนก็จะดีนะอันตารายต่างๆก็ป้องกันไว้แล้วแต่พวกเราแม้จะมีชีวิตแบบ นะกินอิ่มบ้างไม่อิ่มบ้างนอนอุ่นบ้างไม่อุ่นบ้างรวมทั้งการเดินทางตลอดทั้งวันซิ่เหนื่อยล้าบ้างที่ว่าสบายบ้างนะมันก็เป็นมันก็เป็นสิ่งที่เป็นการพิสูจน์ดูเนาะพนะิสูจน์ดูว่าบางทีความลำบากภายนอกนี่มันก็ไม่จาเป็นที่เราจะต้องทุกข์นะบางทีความลำบากนี่กับสอนให้เรารู้จักความทุกข์ แล้วก็สอนให้เราออกจากความทุกข์ได้มันเป็นวิธีการเป็นวิธีทางที่เรียกว่าเรากลับไปสู่ย้อนกลับมารู้จักความทุกข์จริงๆนะเพราะบางทีการที่เราอยากจะมีชีวิตที่สบายที่สะดวกนี่เพราะว่าเราขั่ที่มันจะทุกข์นะแต่จริงพระพุทธองค์ท่านสอนให้เราเรียนรู้จักความทุกข์อันนั้นการที่เราย้อนกลับมา มาทําบางทีอาจจะทํากายให้ลําบากอนะหรือว่าอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มันไม่สะดวกสบายมันทําให้เรารู้จักความทุกข์จริงๆนเะมื่อเรารู้จักความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับตัวของเราเองได้เนาะจิตใจของเราก็จะเปิดกว้างยอมรับความทุกข์หรือว่าเข้าใจความทุกข์เห็นใจคนที่ทุกข์เช่นกันนะอย่างที่เราได้แผ่เมตตานะเราจะเห็นว่าสัตว์สัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกข์ เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นนะบางทีเราเห็นชาวไร่ชาวนาเขาทุกข์เพราะว่าต้องต้องทำไร่ตําแบกข้าโพดในที่สูงสูงที่หนักหนักนะบางทีเราเห็นชาวเขาที่เขาทุกข์เพราะว่าการเดินทางที่ลําบากการมีวิถีชีวิตที่ลาบากเนี่ยเราก็จะเปิดใจเรียนรู้จักความทุกข์ว่าออนี่แหละ เป็นเขาก็เป็นคนเขาก็มีความทุกข์นะเราเป็นคนอาจจะอยู่ในเมืองอาจจะอยู่ในที่สบายแล้วก็มีความทุกข์อีกแบบหนึ่งเช่นเดียวกันทุกข์เพราะความแข่งขันทุกเพราะความอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากเอาอะไรต่างๆอันนี้ก็เป็นความทุกข์เช่นเดียวกันดังนั้นสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็มีความทุกข์ไม่ต่างกันนะไม่ไม่ต่างกันถ้าเราเปิดใจเรียนรู้ตันนี้ได้เราก็จะเห็น เห็นคนหรือว่าเห็นสัตว์ต่างๆนี่เป็นมิตรของเรามากขึ้นนะแล้วก็ไม่เบียดเบียนพึ่งกันแต่กันเมื่อเราเห็นว่าคนอื่นหรือว่าสิ่งอื่นนเป็นมิตรเป็นเพื่อนเรานะนะเราก็จะไม่เบียดเบียนเพื่อนเราก็จะไม่รังแก่เพื่อนเราก็จะช่วยเพื่อนเหมือนเราพบกับใครเป็นเพื่อนเราก็เราก็พร้อมที่จะช่วยคนนั้นเราก็รักคนนั้นอันนี้ก็เหมือนกันถ้าจิตใจของเราเปิดกว้างมากขึ้นนะ เราก็พร้อมที่จะเรียนรู้นะแล้วก็ช่วยเหลือเขาได้มากขึ้นบางทีความทุกข์เนี่ยก็ก็สอนอะไรดีๆนะนะความทุกข์ก็ดีความยากลำบากก็ดีเนี่ยมันเป็นตัวคล้ายๆฝึกฝนคนนะบางทีความสะดวกสบายเนี่ยมันทำให้คนเสียคนก็มีนะจะมีตัวอย่างหนึ่งเป็นเรื่องราวของมาจากสุภา ษ, ษิตจีนนะ มันมีพี่น้องร่วมสาบานอยู่สองคนนะพี่น้องร่วมสาบานคนจีนก็จะมักสาบานจะเป็นพี่น้องนะก็พี่พี่ที่พี่สาบานเนี่ยนะนะคนที่สาบานเป็นพี่เนะเขาก็มีภรรยายอยู่คนหนึ่งนะแต่ก็มีแต่ทั้งครอบครัวนี้ก็มีฐานะที่ยากจนนะไม่ค่อยไม่ค่อยรวยนะยากจนแต่ก็ไม่ถึงกับําบากมากนะ แต่ก็ถือว่าอาัตคัดพอสมควรส่วนน้องชายน้องสะบาลเนี่ยก็เป็นคนที่มีฐานะพ่อแม่ทางบ้านฐานะดีแล้วก็แต่ก็พร้อมตัวเป็นโสดนะไม่แต่งงานนะวันหนึ่งที่ร่วมสะบาลเนี่ยก็คิดว่าตัวเองครอบครัวตัวเองเนี่ยยังลำบากอยู่ยังจนอยู่ก็คิดจะไปแสวงหาหางานทำ ใช้ก็มาสแสดงหาโชคก็ได้ต่างเมืองนะคิดว่าจะไปต่างเมืองเพื่อไปหางานทำํำเรากลับมาก็จะได้มีฐานะที่มันดีขึ้นนะก็เลยก็เลยไปก็เลยบอกภรรยาว่านะอยากจะไปสแสวงหาโชคนะสแสวงหาสิ่งที่อาจจะทําให้ฐานะครอบครัวเราดีขึ้นก็บอกภรรย า, ญญาภรรยาก็ค่อยเห็นด้วยยอมให้ไป ก็ไปบอกน้องร่วมสาบานนะที่อยู่ในเมืองเดียวกันนั่นแหละว่าเนะี่ยพี่จะออกไปแสลงหาโชคฝากเธอช่วยดูแลภรรยาของพี่ได้นะนะอ่านะก็น้องร่วมสาบานก็ก็ยินดีก็ก็จะดูแลพี่สบายให้พี่พี่ร่วมสาบานนี้ก็ออกไปจากเมืองเนะี่ยไปแสวงหาโชคนะในเดือนแรกเนี่ยน้องร่วมสาบานนี้ก็จะ เอาเอาอาหารเอาเข้าวของเครื่องใช้มาส่งให้กับกับพี่สะพ้ยเนี่ยทุกครึ่งเดือนนะเอาอาหารเอาการกินเอาอะไรต่างเรียกว่าไม่ให้พี่สัพ้ยอดอยากไม่ให้พี่สะพ้ายดาบากเลยนะทุกครึ่งเดือนนะทุกครึ่งเดือนพี่สะพ้ยก็รู้สึกเออดีจริงนะเรามีน้องรักษาบาลที่ดี ก็ช่วยเหลือเราอย่างดีเลยอาหารการกินไม่ขาดตกบกพร่องแล้วก็บางทีสบายกว่าตอนที่สามีเราอยู่ได้ซ้าไปนะตอนสามีอยู่เนี่ยก็อาจจะคัดคัดสนบ้างแต่พอมีน้องร่วมสบานเอาอาหารการกินมาให้นี่มันสบายเหลือเกินนะก็ก็ดีใจก็ติดใจก็ทำแบบนี้นะมาประมาณครึ่งปีนะน้องร่วมสบานก็ส่งอาหารการกินมาให้ ร่วมครึ่งปีแต่พอช่วงหลังจากหกเดือนหรือว่าครึ่งปีผ่านไปน้องโรงสยาบาลเนี่ยไม่ส่งอาหารการกินไม่ส่งความช่วยเหลือมาให้เลยเรียกว่าตัดขาดไปเลยตัดขาดไปเลยพี่ตะไคร์คนนี้ก็เริ่มลำบากแล้วเพราะว่าตัวเองก็ไม่ทํางานรอรอความช่วยเหลือจากน้อง น้องคนนี้อยู่เป็นประจำก็ไม่รู้จะทำไงก็เริ่มขายของเก่าขายข้าวของเครื่องใช้ที่มีอยู่นะออกไปเพื่อประทังชีวิตในแต่ละวันนะขายไปเรื่อยจนทั้งหมดก็ไม่รู้จะทำไงเออแต่ตัวเองก็มาคิดได้เออเราก็ต้องหางานทำสินเนาะเราก็ต้องค้าขายสักอย่างหนึ่งนยะจะได้มี อาจจะยอมซึ่งคนอื่นไม่ได้ล้วนะหญิงคนนี้เขาก็เลยเย็บเย็บรองเท้าจีนะรองเท้าผ้านะเราเคยเห็นนะในหนังจีนน ะ, ะส่วนใหญ่คนจีนเขาจะใส่รองเท้าผ้าหญิงคนนี้เขาก็มีความสามารถเรื่องการเย็บเย็บผ้าขพิ่มควรเขาก็เลยเย็บเย็บรองเท้าขายาอาจจะด้วยฝีมือก็ดีด้วยหรือว่าอาจจะเป็นเพราะคนในแถวนั้นอาจจะสงสารหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ ทำให้รองเท้าผ้าที่หญิงคนนะัเย็บขายเนี่ยอก็ขายหมดทุกวันเลยเรียกว่าเย็บเย็บเสร็จออกมาเมื่อไหร่เนี่ยขายได้ทันทีไม่มีค้างสต๊อกนะทำาบบนั้นะขายได้ทุกวันทุกวันเขาก็เลยมี ม, มีมีเงินพอที่จะซื้ออาหารพอที่จะดูลแลตัเองได้ก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยเนาะก็ใจก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่สามี้จะกลับมา แต่น้องโรงพาบาลคนี้ก็ไม่เคยช่วยเหลือลนะนในเรื่องการส่งของมาให้นะแต่เขาก็สามารถดูแลตัวเองได้เนื่องด้วยอะไรเนื่องด้วยการเย็บรองเท้าขายเนหะ็นไหมเราเห็นวนะ่าบางทีอ่าบางทีความสบายความที่เขาเขาได้รับความสะดวกสบายในยบางทีก็ทําให้เขาไม่งอเมืองอ้เท้านิดนึงนะแต่ที่จริงพอตอนดังเขาก็สามารถช่วยตัวเองได้นะ ก็เย็บรองเท้าขายแต่จริงเรื่องมันยังไม่จบแค่นี้นะเรื่องยังไม่จบแค่นี้เพราะว่าอีกสิบปีถัดมาสามีของหญิงคนนี้ก็กลับมาหลังจากที่แปวงหาโชคแต่ก็ไม่ได้โชคแปลงหาเงินแต่ก็ไม่ได้เงินกลับมาสักเท่าไรหร่เขากลับมาเห็นภรรยาตัเองลำบากต้องเย็บรองเท้าขายแต่ก็ไม่ถึงกับอดอยากมันนะก็คิดตาหนิน้องรมสะบานใน คิดตําหนิว่าไม่ดูแลอุตสาห์ากให้ดูแลแล้วนะทําไมไม่ดูแลก็ตาําหนะิก็มีพอน้องโรงพยาบาลรู้ว่าพี่โรงพะาบาลกลับมาแล้วก็เลยส่งคนมาเชิญให้ให้ไปคล้ายจะเลี้ยงต้อนรับเนาะนะนะไปเลี้ยงต้อนรับส่งคนมาเชิญเขาก็ไม่ตอบรับนะส่งคนมาเชิญเขาก็ไม่ตอบรับ พี่ลุงส บ, บานก็คิดว่านะคนอยู่นะน้ำใจอยู่เนี่ยคนจากน้ำใจก็เดือนหายไปตอนที่เป็นตอนที่อยู่ด้วยกันนะก็รักกันดีเป็นพี่น้องลุงส บ, บานกันดีแต่พอคนจากไปแล้วน้ำใจก็หายไปละนะเป็นปสุภาษิตจีนอย่างหนึง่งนอแต่สุดท้ายน้องลุงส บ, บานก็เมื่อส่งคนเชิญไปร่วมไปกินเลี้ยงที่บ้านส่งไม่ได้ก็เลยเองก็ต้องมาเองนะ มาแล้วยังไงมาแล้วตอนแรกก็จะไม่พี่ร่วมสบานคนนี้ก็จะไม่ต้อนรับไม่อยากจะรับนะแต่แต่น้องสบานคนนี้ก็แบบนางจีนนะักพุกเขา่าดหน้าประตูนะถ้าไม่เปิดประตูก็จะไม่ไปไหนนะสุดท้ายก็ก็ต้องเปิดประตูออกมาออกมารับนะก็ก็ไปงานเลี้ยงที่บ้านของน้องร่วมสบานนะ่แหละอย่าง ขัดไม่ได้เนาะเน่ยังขัดไม่ได้โดยน้าใจเก่าที่มีต่อกันแล้วก็อืมก็ไปก็ไปถึงน่ะน้องร่วมสบานก็รู้แหละว่าพี่พี่สบานของตัวเองเนี่ยก็คงขัดเครืองในใจของตนเองอยู่เสมอหรือว่าขัดเคืองตนเองเรื่องที่ไม่ดูแลปัญญาไม่ดูแลที่สะไยตัวนี้ให้เขาก็พาไปกินเลี้ยงน่ะ แต่ก่อนที่จะกินเลี้ยงก็พาเดินชมบ้านกันดูตามสวนดูตามห้องตา่ตางๆก็มีอยู่ห้องหนึ่งนะน้องร่มสบานก็เปิดประตูห้องให้ดูปรากฏว่าในห้องนั้นนะ่ะมีแต่รองเท้าผ้าเต็มไปหมดเลยนะน้องร่มสบานก็เลยอธิบายว่าเ น, นี้ยก็กผมก็อยากจะช่วยเหลือพี่ พี่สะพ้ท่นนีนะตอนแรกผมก็ส่งข้าวของเครื่องใช้ไปให้แต่ผมก็เกรงว่าอาจจะเป็นการสร้างสร้างนิสัยที่ไม่ดีให้กับพี่สะพ้ายในการที่อยู่สบายหรือว่าเคยตัวนะที่มีคนอุปธรรมข่มจุนตลอดตอนดับผมก็เลยไม่ส่งอะไรไปให้นะแต่พี่สไพ้ายท่านก็เขาก็ดีนะเขาอุตส่านหะ์หันมาเลี้ยงชีวิตด้วยตนเองทำมาหากิน เย็บยบรองเท้าผ้าขายเยผมก็เลยให้ลูกน้องผมเนี่ยไปซื้อรองเท้าผ้าของพี่สะพ้ายทุกๆครั้งออมันก็เป็นสิ่งที่น่าคิดนะว่าบางทีการที่การช่วยเหลือคนที่เขาช่วยเหลือตัวเองเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ที่มีคุณค่ามากน ะ, นะพี่ตงสะบาลนี้พอเห็นน้องน้องน้องสะบาลของตัวเองทําแบบนี้เนาะทราบซึ้งใจมาก ซาบซึ้งใจมากเพราะว่าเขาไม่ใช่เป็นคนที่ไม่มีน้าใจเขาไม่ใช่เป็นคนที่เรียกว่ารับคำแล้วไม่ทำตามคําพูดแต่เขาทำยังมีปัญญาด้วยนะไม่ใช่เลี้ยงดูแบบให้สบายให้เคยชินให้ติดความสะดวกสบายแต่เข า, ารู้จักมีปัญญาในการที่จะเรียกว่าช่วยเหลือแบบเรียกว่าให้เขาช่วยตัวเองด้วยแล้วที่อน้อง น้องตา บ, บานเขนี้ก็บอกว่าก็มันก็อาจจะเป็นที่ขราหาด้วยเพราะว่าผมก็เป็นชายโสดส่วนที่อ่าพี่ตะไครเคาขาก็ครองอ่าอยู่คนอยู่บ้านคนเดียวถ้าผมไปดูแลใกล้ชิดหรือว่าจะดับเขามาอยู่ดูแลที่บ้านเองมันก็ไม่สะดวกมันก็จะเป็นที่ขราหาได้ผมก็เลยทําเช่นนี้อนะนะสุดท้ายเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่มันก็น่าคิดนะมันเป็นสิ่งที่น่าคิดในการที่ ผมหรือว่าจะมาก็คิดว่าเรื่องจริงเรื่องนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าคิดในหลายแง่มุมนะอย่างที่ว่าเรื่องความสะดวกสบายกับความความลําบากเนะี่ยก็เป็นสิ่งที่ก็ถ้าใครที่มีสติปัญญาเขาก็จะดูว่าความลําบากนะมันก็เป็นครูที่สอนธรรมะอย่างดีเป็นการฝึกฝนตนอย่างดีบางทีความสบายเนะี่ยก็เหมือนเป็นยาคิดนะหือเป็นเหมือนคล้ายๆของหวานขนมหวานนะ ถ้ากินมากๆนะก็อาจจะเป็นเบาหวานหรือว่าเป็นโรคตามมาก็ได้นะอันนี้ก็แต่บางทีความลำบากนี่ก็เป็นการทําให้ได้ฝึกฝนตนได้พึ่งตนได้รู้จักเรียกว่าไม่ติดนะในสิ่งที่มันชวนให้หลงไหอีกอย่างหนึ่งก็เป็นเรื่องของการช่วยเหลือคนอื่นมันก็ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคนอื่นอย่างมีปัญญาเนาะให้เขาพึ่งตัวเองได้นี่ก็เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ ไม่ใช่ช่วยเหลือแบบให้อย่างเดียวนะให้จนทั่งเขาเขาไม่สามารถที่จะทําอะไรเองได้เพราะว่าเคยเต็มคนให้เราจะเลี้ยงใครเราจะดูแลใครก็เช่นเดกันเราก็ต้องให้เขาได้พึ่งตันเองให้ได้อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งแต่จริงนิทานนึกตัวอย่างเรื่องนี้ยมันเป็นสุพพสิทธิ์จีนเขาบอกว่า เอกสุภาษิตที่เรารู้จากแบบผลทางที่สุดม้าการเวลาที่สุดคนนะมันมันมาจากสุภาษิตตรงนี้นะผลทางยาวไกลที่เราจะเดินทางเนี่ยมันก็จะพิสูจน์ว่าม้าตัวนั้นเขาเขาเข้มแข็งไหมนะการเวลาที่เราครบกันที่เราอยู่ด้วยกันก็ดีนะมันทีจะเป็นการพิสูจน์ว่าคนคนนั้นเขาเป็นมิตรแท้หรือเป็นมิตรเทียมนะการเดินทางของเราก็เหมือนกันเนาะการเดินทางการเดินเท้าของเราก็เหมือนกัน เป็นการพิสูจน์ตัวพวกเราแหละจะมีความเข้มแข็งไหย ม, มีความใจสู้ขนาดไหนเนาะนะก็เป็นการพิสูจน์ดูนะพิสูจน์ดูกําลังกายกําลังใจของพวกเรานะแล้วการที่เราอยู่ร่วมกันต้งเหมือนกันก็เราอยู่เป็นหมู่คณะเนาะก็ให้ช่วยเหลือกันนะถือว่าเป็นการช่วยกันนะเป็นกลุ่มเป็นคณะนะเป็นสิ่งที่ที่ก็ดีนะอนะพวกเราก็ นะมีการเดินทางเลยเนาะนะการเดินเท้าก็เป็นเป็นวิธีการที่มีตั้งแต่สมัยพุทธกาลตั้งแต่ก่อนหน้านัานา้นแวนะเราครูบาอาจารย์ในลา ย, ลายรูปท่านก็ใส่การเดินเท้าเนี่ยแหละเป็นการเข้าถึงธรรมะนะเหมือนที่พูดใน่อนต้นว่านะธรรมะมีในทุกหย่อมหญ้าถ้าเราเดินไปเห็นหญ้า เป็นดอกไม้เขาสดใสเห็นหญกาเขายิ้มแยนะ้มน่ะจิตใจเราก็มีความสุขได้นะถึือบางทีเราก็เรียนรู้ความทุกข์ในสองข้างทางบ้างนะเป็นการเดินทางนะเพื่อสแสวงหาตัวตนที่แท้จริงนะเป็นการเดินทางเพื่อออกจากความทุกข์นะหรือที่จริงอาจจะเป็นการเดินทางเพื่อเผยแพร่ธรรมะเลยเนาะพวกเราก็ แม่เาอาจะไม่เทศไม่สอนอะไรมากมายกับคนอื่นภายนอกแต่บางทีคนที่เขาเห็นเราเดินขึ้นเขาคนที่เขาเห็นเราเดินตากแดดนะเขาก็รู้สึกศรัทธาแล้วนะศรัทาในวิธีการปฏิบัติของพระของแม่ทีของพวกเราที่ที่ออกทุ ด, ดงเนี่ยก็เป็นการเผยแพร่ธรรมะอย่างหนึ่งนะเหมือนอย่างที่พระเจ้ า, จาท่าน เคยแพรยธรรมะนะท่านก็ไม่ท่านก็แต่การเดินทั้งนั้นนะในขณะที่เราได้อ่านในพระไตรปิฎกก็เห็นแต่ท่านเดินเดินไปโปรดพระเจ้าวักคีเดินไปโปรดชลิศ เ, เดินไปโปร ด, ด, ด, ดพระเจ้าพิมพิสารเดินไปโปรดคนนี้นคนนี้นก็มีแต่เดินนะตามที่สมัยนั้นก็คงมีก็คงมีม้าเยอะแ ย, ยะมากมายเหมือนกันก็คงมีเกวียนนะ่ะให้ได้ขี่บ้างแต่ก็ไม่เคยเห็นในบดไหนที่พระองค์ท่านท่านทรงม้า หรือพระองค์ท่านนั่งเกวียนนะก็ไม่มีท่านก็อาศัยการเดินแม้จนทั้งวารสุดท้ายก่อนที่จะไปลิขิพานท่านก็เดินไปนะเพื่อไ ป, ไปลิขิพานนะไปตัดพราเรียกว่ า, โอว า, า โ, ออโอวาทปปาติโมกตอไปตัดปะชิมะโอวาท์ครั้งสุดท้ายก็อาใส่การเดินนะนั่นการเดินทางของเราเนี่ยเป็นทั้งการฝึกฝนตนแล้วก็เป็นการ สืบต่ออายุพพุทธศาสนาวิธีหนึ่งนะคือการเผยแพร่ธรรมะเราไม่ได้เดินแค่เดินเที่ยวเดินเล่นเดินนะจะทนอย่างเดียวเท่านั้นแต่เราเดินเพื่อให้เข้าถึงธรรมะแล้วก็เดินเพื่อเผยแพร่ธรรมะด้วยเนาะให้เราได้ลึกไว้ตรง น, นี้นะมันจะได้สมกับสิ่งที่เรียกว่าเราเป็นผู้ที่นะเหมือนอย่างที่เราพักตรเ น, นี้เขาใช้คาว่าพระธรรมจาริกนะ นะเรามีพาธธรรมจะลิกไปในที่ต่างๆนะจะลิกไปเพื่อประโยชน์สุขของมหาชนหมู่มากเหมือที่พระเจ้าท่านตัดเป็นภาษาบาลีนะพิสุจน์ทำลายเธอจงจะลิกไปเพื่อประโยชน์สุขของมหาชนนะโดยหมู่มากจะลถะพิกเวจาลิกกรรมหิตายะจะลิกกรรมสุทายะโลกาณุกรรมปายะเนี่ยเรากำลังทําตรงนี้นะัดก็ขอให้ทําให้ ให้เต็มที่ให้เต็มที่สุดอ่ะไว้